ใจไหลไปคิดล้วรู้สึกขึ้นมาอย่าปล่อยใจให้ไหลตามกิเลสไนะกิเลสเล็กกิเลสน้อยตอนแรกๆมันก็เหมือนน้ำในลำพ้วยอ่อนๆน่าเล่นนะน่าลุยเล่นเผ <c oughs> ลอแป๊บเดียวนะเดินตามลำพ้วยนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ถึงแม่น้ำใหญ่คร <c oughs> าวนี้กระแสกิเลสที่เชี่ยวกลากเลยเอาไม่อยู่แล้วจะถูกมันพัดพาไปพัดพาไปตกน้ําตกตายลงหิวน้าตกไป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 รู้สึกมันไหมบางทีแกล้งมโมโหใครซะหน่อยๆ น, นะสะใจดิหรือแกล้งบางคนนะพวกผู้หญิงชอบเป็นเยอะเรอสังเกตดูชอบสวมวิญญาณนางเอกชอบคิดอะไรให้เศร้าๆนิดๆหนึ่งนะให้แสบๆในใจอย่างเงี้ยชอบนะชอบสวมวิญญาณนางเอกแล้วทำเป็นเศร้าๆแหมน้ำตาคลอๆอยู่ข้างในนะมมีความสุขโถเอ้ยจะลงนรกไม่รู้ตัวนประตูนรกอยู่ตรงนั้นล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 นั่งดูท้องของยุบหรือนั่งหายใจไปแล้วใจลอยแวบบไปแลนี่ไปคิดแลรู้ทันว่าหนีไปคิดนีหัดรู้จักในส่วนใจหนีไปคิดแแบบก็จะรู้ทันคุณผู้หญิงเสื้อขาวแขนสั้นนั่ะใจหนีไปคิดรู้จักไหมใจมันหนีไปคิดไหลแวบบใจสงสัยขึ้นมาก็รู้ว่าสงสัยใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธก็ได้นะพุทโธก็ดี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 ทั้งชาติก็เลยได้แค่สงบแล้วฟุง้งซ่านไปไหนไม่รอดแต่ถ้ามาหัดดูจิต ด, ดูใจอย่างที่ผลวงพ่อสอนนี่นะทำได้นะขับรถอยู่ก็ทำได้กินข้าวอยู่ก็ทำได้อาบน้ำอยู่ก็ทำได้นะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำได้เนะ้นเวลาทำงานไปก็จดจอกก่องานทำงานแล้วเครียดเนี่ยสติเกิดระลึกขึ้นได้แล้วเครียดละภาวนาได้ ไปนั่งประชุมเห็นหน้าคนที่มาประชุมกับเราวันนี้โอ้ยคนคนขอโทษนะคนตีนทั้งนั้นเลยนะเห็นก็อึดอัดละสตีมันทำงานอัตโนมัติเห็นความอึดอัดวันนี้เห็นหน้าตาคนที่มาจะมาต้องมาประชุมถกแถลงงานกับเราโอ้ยหน้าตาใจดีทั้งนั้นเลยคุ้นค้นกันทั้งนั้นอนะ่ะสูเอียกันได้นะพัวกันได้สบายใจรู้ว่าสบายใจหมันง่ายขนาด น, นี้